จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิ์ที่สองก ร, รกฎาคมพุทธศักราชสอง6 0เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เชื่มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราจะดีหรือไม่ดีจะเจริญหรือไม่เจริญขึ้นอยู่กับการกระทําของเรา การกระทําของเรานี้เรียกว่ากรรมนะเรามีการกระทำอยู่สามทางทางกายทางวาจาและทางใจทางกายทางวาจาต้องรอรับคําสั่งจากใจก่อนใจเป็นนายกายเป็นบ่าวรัางกายจะพูดจะทําอะไรเองไม่ได้ต้องนอคําสั่ง คือใจก่อนอย่างวันนี้ยาติโยมก่อนที่จะมาวัดก็ต้องมีความคิดทางใจก่อนคิดไว้ในใจว่าวันนี้ต้องมาวัดพอคิดแล้วก็เลยสั่งไปทางวาจาให้พูดให้บอกให้ชวนเพื่อนที่อยู่บ้านด้วยกันมิตรญาชนิดมิสหายว่าวันนี้เราไปทําบุญกัน อันนี้ก็เรียกว่าการกระทำทางวาจาแล้วพอบอกคุยกันแล้วก็ตกลงกันเตรียมตัวจัดหาข้าวของต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าการกระทำทางกายการกระทำทางกายกับทางวาจานี่ต้องรอรับคำสั่งทางใจก่อนถ้าใจไม่สั่งก็จะไม่สามารถทาได้เช่นสมมติว่า ใจไม่ได้คิดว่าวันนี้จะมาวันก็จะไม่ได้ชวนกันมาวันไม่ได้ไปเตรียมข้าวเตรียมผงมาวันถ้าใจคิดว่าวันนี้ไปเที่ยวกันก็จะชวนกันไปเที่ยวชวนกันไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดังนั้นผู้ที่กระทากรรมจริงๆก็คือใจและผู้ที่รับผล ของการกระทาก็คือใจถึงแม้ว่าจะทำผ่านทางร่างกายก็ตามแต่ผู้ที่รับผลจริงๆก็คือใจผลที่ได้รับก็คือความสุขหรือความทุก์หรือความไม่สุขไม่ทุกเฉยๆการกระทาของเราทำได้สามรูปแบบทำให้เกิดสุขก็ได้ ทำให้เกิดทุกข์ก็ได้ทำให้ไม่เกิดสุขไม่เกิดทุกข์ก็ได้การกระทำที่เกิดสุขนี้ทำอย่างไร<ล>ก็ทำอะไรที่ทาให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ได้ความสุขจากการกระทำของเราอย่างวันนี้ญาติโยมเอาข้าวของเงินทองกับข้าวกับปลาอาหารเครื่องใช้ไม่สอยมาถวายพระ ญาติโยมก็นำความสุขนำประโยชน์มาให้กับพระการธระ ท, ทนี้ก็จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจความสบายใจความอิ่มใจนี้เราเรียกว่าบุญการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการ ก็ทำบุญทำแล้วใจของเราก็เป็นสุขขึ้นมาส่วนถ้าเราไปทำอะไรให้ผู้อื่นเขาเสียหายเช่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดประเวณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเราก็ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน ทำไปแล้วใจเราก็จะไม่สบายเรียกว่าใจเราทุกข์นี่เรียกว่าบาปความทุกข์ใจความร้อนใจนี่คือบาปความสุขใจความเย็นใจนี่คือบุญ น, นี่เกิดจากการกระทำของเราเกิดจากความคิดของเราก่อนที่เราจะทำบาปหรือทาบุญเราต้องคิดก่อน เมื่อเราคิดแล้วเราก็สั่งการไปที่ร่างกายพอสั่งไปที่ร่างกายพอร่างกายพูดร่างกายกระทำผลก็เกิดขึ้นที่ใจทันทีพอเราโกหกปับ๊บใจเราก็ไม่สบายทันทีพอเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นใจก็จะไม่สบายทันทีนี่คือผลและผู้กระทำ ผู้กระทำที่แท้จริงคือใจร่างกายและวาจาเป็นเพียงผู้รับคำสั่งไม่มีผลเกิดขึ้นกับทางร่างกายยกเว้นว่าถ้าไปทำร้ายผู้อื่นแล้วเขามากลับมาทำร้ายร่างกายก็ต้องรับถูกเขาทำร้ายด้วยใจก็ทุกข์ด้วยร่างกายก็เจ็บ ด, ด้วยแต่ถ้าร่างกาย ทำความดีร่างกายก็อาจจะได้รับรางวัลเขาอาจจะให้เงินทองเป็นผลตอบแทนหรือให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ร่างกายอันนี้ก็จะเป็นผลตอบแทนทางร่างกายแต่ผลตอบแทนทางร่างกายนี้ไม่มีน้ำหนักมากเท่ากับผลตอบแทนทางใจความสุขที่ได้ผ่านทางใจ กับความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายนี้ความสุขทางใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าและมีผลยาวนานกว่าความสุขทางร่างกายสุขเดียวเดียวแล้วก็ผ่านไปแต่ความสุขทางใจนี้จะอยู่กับใจต่อไปเพราะว่าหลังจากที่ใจไม่มีร่างกายแล้วใจก็ยังได้รับประโยชน์จากการทำความดี คือใจยังมีความสุขเวลาใจไม่มีร่างกายแต่ใจมีความสุขเรียกว่าใจได้เป็นเทวดาได้เป็นเทพไปได้อยู่บนสวรรค์ในทางตรงกันข้ามถ้าใจทุกข์ร่างกายทุกข์ร่างความทุกข์ร่างกายก็ชั่วคราวไม่นานเหมือนกับความทุกข์ทางใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความทุกข์ทางใจยังไม่หาย ความทุกข์ใจร้อนใจนี่ก็เรียกว่านารกเวลาที่ไม่มีร่างกายนี่คือเรื่องของการกระทำํำส่วนการกระทําอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปคือการกระทําที่ไม่เกิดโทษกับผู้อื่นแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นเช่นเราอาบน้าแต่งตัวรับประทานอาหารออกกําลังกาย การกระทําแบบนี้เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ได้เป็นบุญหรือไม่ได้เป็นบาปไม่มีผลทางจิตใจจิตใจไม่มีความสุขจิตใจไม่ได้ความทุกข์จากการกระทําแบบนี้แต่ก็เป็นความจําเป็นที่เราต้องทําเพราะว่าเรามีร่างกายที่เราจะต้องคอยดูเลี้ยงดูรักษาเราก็เลยทํากรรมที่ไม่ใช่เป็นบุญ และที่ไม่เป็นบาปคำว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายคำว่าบาปคำว่ากรรมจริงๆนี้หมายถึงการกระทาแต่บางทีเราก็ใช้คำว่ากรรมนี้มาแทนคำว่าบาปเช่นบุญกรรมอย่างนี้ความจริงเราหมายถึงบุญบาปเว้นกรรมเว้นกรรมก็เว้นกับบาปทำบาปแล้วก็จะมีเว้นตามมาเว้นก็คือ เมื่อเราไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็โกรธเราเกลียดเร า, เ, เ, ราเขาก็จองเวรจองกรรมกับเราแต่ถ้าเราไม่ไปทำร้ายผู้อื่นเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมกับเรานี่คือผลที่จะเกิดจากการกระทำบุญหรือการกระทำบาปถ้าทำบุญเราก็จะมีเพื่อนมีมิตร มีคนที่เขาจะมาช่วยเหลือเราดูแลเราเวลาที่เราเดือดร้อนหรือว่าเวลาที่เขามีอะไรเหลือเฟือเขาก็จะคิดถึงบุญคุณของเราเขามีอะไรเขาก็อาจจะแบ่งมาให้กับเราได้แต่การทำบุญหรือทำบาปนี้เราอย่าไปหวังผลจากผู้อื่น ทำบุญอย่าไปหวังผลจากผู้นั้นว่าให้ทำให้เขาแล้วจะให้เขารักเราชอบเราหรือจะให้มีรางวัลตอบแทนเพราะสิ่งที่เราได้รับจากเขานี่สู้สิ่งที่เราได้รับภายในใจของเราไม่ได้คือความสุขใจเราทําความดีเราได้รับผลแล้วคือความสุขใจความอิ่มใจความภูมิใจ และความเป็นเทวดาก็จะเกิดขึ้นจากการทำความดีของเราส่วนสิ่งที่เขาให้เหล่านี้มันก็มีแต่ประโยชน์กับทางร่างกายเท่านั้นเองเช่นให้ข้าวของเงินทองมาเป็นสิ่งตอบแทนแล้วก็เป็นของชั่วคราวตายไปเราก็เอาไปไม่ได้แต่ผลที่เราได้รับจากการกระทําที่เกิดขึ้นที่ใจนี้มันไปกับเราต่อ มันจึงทำให้เราไปสวรรค์กันดังนั้นเวลาเราทาความดีอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้อื่นเพราะเราอาจจะไม่ได้แล้วจะทำให้เราท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจที่จะทำความดีเพราะเราไปมองถึงผลของการทำความดีว่าจะต้องได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้ อันนี้บางทีก็ได้รับบางทีก็ไม่ได้รับแต่ถ้าเราไม่ไปหวังผลจากคนที่เราไปทำความดีด้วยเราจะเกิดความสุขใจทันทีเลยพอทำแล้วเราจะมีความสุขใจซึ่งเป็นความสุขใจที่จะมากกว่าสิ่งที่คนที่เราไปทำความดีให้กลับให้กลับมากับเราดังนั้นอย่าไปหวังอย่าไปต้องการ เพราะจะผิดหลักของการทำบุญเพราะถ้าหวังแล้วเดี๋ยวไม่ได้ก็จะเสียใจแทนที่จะมีความสุขใจจากการที่เราทำความดีเราก็จะเสียใจหรือว่าหวังให้เขาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เขาให้อีกอย่างหนึ่งหรือให้น้อยไปเราก็จะเสียใจแล้วความสุขใจที่เราควรจะได้รับ จากการทำความดีก็จะถูกความเสียใจนี้ลบออกไปเราจะทำให้เราไม่มีกำลังใจที่จะทำความดีมเพราะทำความดีแล้วไม่ได้ดีคนสมัยนี้มักจะบ่นกันว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำาชั่วได้ดีมีถงไปเพราะเขาไปมองที่รับของผลนี้ผิดไป เจาไปมองที่รับทางร่างกายเช่นคนชั่วไปลักทรัพย์ไปชอ่อกงก็รวยได้ก็เลยคิดว่านี่คือผลของการทาความชั่วทำาชั่วแล้วก็ได้ล่าได้รวยแต่ความจริงผลที่เกิดจากใจนี้ไม่ดีเพราะใจจะทุกข์ใจจะร้อนใจจะกังวลใจจะไม่สบายใจจะตกต่ำจะ เป็นเทวดาไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นได้ก็เป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกเพราะการกระทาบาปมันจะมีผลต่อจิตใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าร่างกายตายไปแล้วทาบาปเพราะความหลงนี้ก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทาบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรต ถ้าทําบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกนผลเหล่านี้เรามองไม่เห็นกันเราไอิจฉาพวกคนที่ทําบาปกันว่าพวกนี้มันทําบาปแล้วได้ดีบได้ดีกันแต่คนที่เขารู้ตามที่พพุทธเจ้ารู้นี้เขาไม่อิจฉาเขากับสมเพศกับสงสารว่าต่อไป เขาจะต้องไปเกิดในที่ไม่ดีไปเป็นเดลอาชานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างถึงแม้ว่าตอนที่เขาเป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้เขาร่ำเขารวยเขาเป็นใหญ่เขาเป็นโตก็ตามแต่กรรมหรือบาปที่เขาทำไวน้นี้มันจะต้องทำให้ใจของเขานี้ตกต่าไปสูงไม่ได้ <c oughs> นี่คือผลของการทําบุญหรือทําบาป ผลจริงๆแล้วอยู่ที่ใจผลที่ได้รับทางร่างกายเรียกว่าเป็นโบนัสเป็นของแถมบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ได้หรือไม่ได้ก็เอาไปไม่ได้เวลาตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ลาบยศ ส, สรรเสริญข้าวของเงินทองได้มามากน้อยเพียงไรเอาไปไม่ได้เอาแต่ผลของบุญเอาแต่ผลของบาปไปได้ เราต้องมองที่ใจเป็นหลักเรื่องของผลของการกระทำของเราถ้าเรายังมองไม่เห็นอนาคตก็ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ว่ามีจริงว่าร่างกายตายไปแล้วใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี้จะต้องไปอบายหรือไปสวรรค์ส่วนร่างกายมันก็ไปสู่เมนไปสู่การชาปนากิจกลับกายไปสู่ ขี้เท่าที่ถามไปร่างกายจึงไม่ได้เป็นตัวที่มีสาระสําคัญอันใดตัวที่มีสาระสําคัญคือใจของพวกเราที่ไม่มีวันตายแต่จะต้องเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปที่เราทำไว้ดังนั้นถ้าเรามองไม่เห็นอนาคตอย่างน้อยเราก็เห็นปัจจุบันถ้าเราสังเกตเราจะเห็นเวลาที่เราทําบา ใจเราจะไม่สบายเวลาเราทำบุญใจเราจะสบายดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขความสบายใจขอให้ทำบุญมากๆทำไปเรื่อยๆแล้วจะมีความสุขใจสบายใจแล้วถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ความไม่สบายใจก็อย่าไปทำบาปเพราะการทำบาปนี้จะทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจกัน แล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็ต้องมาชําระใจของเราให้สะอาดใจของเรายังไม่ได้รับการชําระจากการทําบุญจากการไม่ทําบาปใจเราจะชําระได้ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนา สมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเป็นวิธีซักฟอกใจให้สะอาดใจของเราตอนนี้ไม่สะอาดด้วยอะไรไม่สะอาดด้วยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ความโลภความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราหลังจากที่เราตายไปแล้วไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปเสร็จแล้วก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเรายังมีความอยากหาความสุขแบบมนุษย์กันอยู่ยังอยากหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากนิ่มนวดอยากดมกลิ่น ยังอยากรวยยังอยากสวยยังอยากงามยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ <colored. S 1> ความอยากเหล่านี้จึงต้องทำให้เราต้องมามีร่างกายเราจึงกลับมารับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ของเราแล้วเราก็มาหาความสุขทางร่างกายกันแล้วบางทีก็หาด้วยวิธีทำบาปกันก็เลยทำให้เรา ต้องไปรับผลบาปบางทีก็ทาโดยไม่ได้ทำบาป ก, <ม>ก็ไม่มีผลตามมาบางทีเรามีของเหลือเฟือเรามีความเมตตาเราคิดถึงความสุขของผู้อื่นเราก็แบ่งของที่เรามีนี้ให้แก่ผู้อื่นเราก็ได้ทำบุญกันแต่เราก็จะทำอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติทำบุญบ้างทำบาบ้าง ตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปพอหมดแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากกลับมาหาความสุขทางร่างกายต่อไปถ้าเราไม่อยากจะกลับพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเราต้องมาหยุดความอยากกันหยุดความอยากหาความสุขทางร่างกายหยุดความอยากรวยหยุดความอยากสวยหยุดความอยากอยู่ไปนานๆหยุดความอยาก หาความสุขจากรูปเสียงกินรดต่างๆด้วยวิธีฝึกสตินั่งสมาธิถ้าเราฝึกสติใจใจบังทับใจให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์หรือให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆไม่ได้พอเราไม่คิดความอยากก็ไม่เกิดถ้าเราไม่คิดถึงแฟนความอยากจะไปหาแฟนก็ไม่เกิด ถ้าเราไม่คิดถึงขนมความอยากกินขนมก็จะไม่เกิดถ้าเราไม่คิดถึงกาแฟความอยากจะดื่มกาแฟก็จะไม่เกิดถ้าเราไม่คิดถึงภาพยนตร์ความอยากจะดูภาพยนตร์มันก็จะไม่เกิดวิธีที่จะไม่คิดเราก็ต้องให้คิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปหรือให้สวดมนต์ไปเรื่อยๆพอเกิดความอยากขึ้นมาก็สวดไปเลยพออยากจะดื่มกาแฟก็สวดอติปิโสไป ส่วนไปจนกว่าจะลืมพอลืมแล้วความอยากดื่มกาแฟาก็หายไปอย่างถ้าเราทาอย่างนี้ได้ต่อไปเราก็จะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามามีร่างกายอีกต่อไปในเมื่อเราไม่อยากดื่มกาแฟมีร่างกายไปทำไมในเมื่อเราไม่อยากจะมีแฟนมีร่างกายไปทำไม ในเมื่อเราไม่มอยากจะดูอยากภาพยนต์เรามีร่างกายไปทําไมมีแล้วเหนื่อยมีแล้วต้องเลี้ยงดูร่างกายแล้วยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายคนฉลาดจึงไม่อยากจะมีร่างกายการจะไม่มีร่างกายก็ต้องหยุดความอยากหยุดด้วยการควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดไปในทางความอยากให้คิดไปในทางความไม่อยาก ให้คิดพุดโทโธพุโทโธไปให้สวดมนต์ไปหรือให้คิดว่าการทําตามความอยากจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะกลัวไม่กล้าอยากเราก็จะหายอยากพอหายอยากเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะใจที่ไม่มีความอยากนี้เป็นใจที่อิ่มที่พอ ใจไม่หิวไม่ร้อนไม่วุ่นวายใจสงบใจเย็นสบายมีความสุขนี่คือใจของพระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้เคารพกันนี่คือใจของป้าอาหลานตัสสาวกที่พวกเรากราบไหว้บูชากันท่านเป็นผู้ที่รู้วิธีชาระใจของท่านให้ปราศ จ, จากความโลภความอยากต่างๆ จึงทําให้ใจของท่านไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาทุกข์เหมือนพวกเราถ้าพวกเราอยากจะไม่มีความทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขเราก็ต้องมาหยุดความอยากกันให้ได้ถ้าหยุดได้เราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจา้าเหมือนเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวลมไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของกรรม ที่มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีและเรื่องของการยุติกรรมคืออย่าไปทํากรรมอย่าไปทําความอยากต่างๆถ้าเราหยุดกรรมได้หยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของกรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและไปปฏิบัติ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 ด้วยอายุวันณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ